ทุกคนนะโยมนะขอญาติโยมได้ร่วมจิตร่วมใจอนุโมทนาบุญบุญก็จะสาเร็จกับผู้ที่ได้อนุโมทนาดังนั้นก็ภาคเช้าวันนี้ก็ได้ไปทำภารกิจมาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยก็กลับวัดกลับวัดก็มาทำหน้าที่ของวัดอีกคุณโยม มาปลูกหญ้าหน้ากุตินากุติหลังเก่าที่ญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพมุงหลังคากุติก็ไปจัดสวนย่อมเรียกว่าสวนย่อมก็แล้วกันคุณยอมจัดสวนย่อมปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นที่ พาอาศัยเป็นที่ชื่นชมและก็นั่งเล่นเพื่อให้สบายจิตสบายใจคุณโยมก็เลยได้มาทำตรงนี้ก็นำพระพิสุงสงฆ์สมณเนภายในวัดช่วยกันจัดช่วยกันทำขณะนี้ก็เสร็จเป็นบางส่วนแล้วคุณโยม ก็ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไรหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนคนใดใครคนหนึ่งอยากจะมาชมดูฝีมือโยมก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะโยมนะโอ้ว่าจะมาดูฝีมือของพระสงฆ์สมณีนวัดหนองบทองท่านพาการปรับภูมิทัศน์เป็นยังไงบ้างนอ มาช่วยกันติช่วยกันชมนะแล้วก็มาช่วยกันติช่วยกันชมเอาไวา้คุณยมนะมาช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขตรงไหนไหมด่ดีตรงไหนที่มันดีแล้วก็อนุรักษ์รักษาเอาไวา้ตรงไหนไม่ดีก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำโอเป็นที่น่าอนุโมทนาจริงจริง ญาติโยมคนกำลังจะนั่งคิดว่าอซักวันหนึ่งจะไปเยี่ยมเยือนท่านนะขอโนโมนาไว้ล่วงหน้านะโยมนะหากว่าญาติโยมจะมามาวันไหนก็แล้วแต่คุณโยมเมื่อมีโอกาสก็ได้มาอย่าพูดว่าไม่มีเวลาเด้๋ยโยมเนอทุกคนนั้นมีเวลาเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าคนนั้นจะลอคนนั้นจะสวยคนนี้ไม่ลอคนนี้ไม่สวยคนโน้นรวยคนนี้จนนะจะไม่มีเวลามิใช่นะโยมน ะ, ะเวลาเรามีเท่ากันยี่สบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่โอกาสที่เราจะไปมาห้าสู่กันนั้นก็ยากเหลือเกินนะยากนะโยมนะ เพราะฉะนั้นญาติโยมคนใดมีจิตใจประสงค์จำงอยากจะมาเยี่ยมเยือนก็ขอเรียนเชิญเจริ ญ, รญพรนะโยมนะแวะมาเยี่ยมมาเยือน ม, มาชมดูโอ้สถานที่เป็นยังไงดีเนอะเห็นท่านได้พูดได้คุยในทางสถานีวิทยุเนี่ยสถานีวิทยุก็มาชมดูคือโยม โอ้อยากจะไปชมดูบุญบารมีช้างเหลือเกินนะช้างที่ญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กละน้อยตามกําลังก็ได้สร้างเสร็จแล้วหนึ่งเชือกโยมนะสร้างเสร็จแล้วหนึ่งเชือกก็ยังเหลืออีกเชือกหนึ่งเพราะฉะนั้นหากว่าญาติโยมคนใดประสงค์อยากจะมาชมดูช้างเอราวัณที่ญาติโยมได้ เสียสละจตุปปัจจัยไทยธรรมมามาร่วมด้วยช่วยกันคนลเล็กละน้อยเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงสร้างแล้วดีอย่างไรสวยอย่างไรไม่สวยอย่างไรก็มาช่วยกันติกันชมอีกนั่นแหละมาช่วยกันติกันชมยอมนะตรงไหนที่มันยังไม่เหมาะตรงไหนที่มันยังไม่ควรตรงไหนที่มันยังไม่ดี มาช่วยติช่วยชมกันนะเนี่ยอย่างนี้แหละดีดที่สุดแลยมนะดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมคนใดใครก็หนึ่งมีโอกาสแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะโยมนะมามาช่วยชมช่วยเชียร์ช่วยดูกันนะเอบอกว่าวัดน้องบะทองอยู่ตรงไหนเนะนะวัดน้องบะทองอยู่ที่ไหนอาเขตไหน ถนนเส้นอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะหากว่าโยมมาจากตัวเมืองบุรีรัมย์นะโยมนะยอมก็จะเข้ามาทางถนนสายบุรีรัมย์สตึกหรือญาติโยมอาจจะพูดว่าเอ๊สายบุรีรัมย์สตึกมันหลายเส้นและเกินก็ต้องมาพูดถึงว่าสายบุรีรัมย์ ถนนสายบุรีรัมศ์สนามบินอ้าวพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายเนอะโยมเนาะถนนสายบุรีรัมไปสนามบินก่อนจะถึงสนามบินก็วัดอยู่ทางขวามือนะ่โยมนะแต่ก่อนจะถึงสนามบินนี่สนามบินอยู่ไกลกว่าวัดอีกเยอะโยมออกจากตัวเมืองมาประมาณ 7-8 กิโลเนี่ย เถึงแปกิโลหรือ8ปกิโลถึง9กกิโลยมก็จะมองเห็นมองเห็นพอมาถึงทุ่งนายมก็มองเห็นเสาวิทยุนะ่ะเสาวิทยุอยู่ขวามือนะยมนะอยู่ขวามืออยู่ทางขวามือถ้าหากว่ามาจากทางตัวบุรีรัมณ์นะ่ะแล้วก็พอมาถึงก็อยู่เทินเข้าวัดพอดิบพอดีมองเห็นช้างเอราวัน อยู่หน้าประตูวัดพอดิบพอดีแล้วโยมถ้ากาโยมมาจากถนนคูเมืองอ้าวถนนคูเมือ ง, อานน ม, องมาเลี้ยวขวาเอามาเลี้ยวซ้ายที่บ้านน้องตาดเนี่ยบ้านน้องตาดวิ่งตรงมาเลยโยมวิ่งตรงมาถนนเส้นเดียวนี้แหละจนถึงถนนสายบุรีรัมสนมบินเนี่ย ชนกันพอโยมวิ่งมาก็พอดีเลยเข้าประตูวัดโป๊ะเลยโยมพอมาถึงก็เลี้ยวซ้ายอยู่เทินเข้าวัดโป๊ะพอดีโอ๊ยทำไมมันสะดวกสบายถึงขนาดนั้นเนี่ยมันเข้าวัดเลยโยมหรือหากว่ามาจากร้อยเอ็ดก็ดีมาจากอําเภอสติกก็ดีก็พอมาถึงก็เรียกกันว่าหน้าวัดหนองบัวทอง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดพอดีเลยโยมมองเห็นช้างเอราวัณสง่างามสง่างามเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนเชิญญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมมาเยือนมาพบมาพบปะกับทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสเอได้ยินแต่เสียงทางสถานีวิทยุ รูปร่างหน้าตาของท่านเป็นอย่างไรเนาเนี่ยก็แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะโยมน ะ, มนะอะขออนมโมธนาขอบคุณไว้ล่วงหน้าที่ญาติโยมที่จะได้คิดจะมานะโยมนะขออนมโมธนาโอ้วันนี้จะมีญาติโยมฟังหรือเปล่านะ้ยอยอยยางศรีสุราช <c oughs> จังหวัดกาลสินนะยางศรีสุราชเน โยมอยู่ที่จังหวัดกาลสิน์ก็มาพักอยู่ที่ตัวเมืองบุรีรัมย์นำลูกมาศึกษาเล่าเรียนก็มาอยู่กับลูกดูแลลูกแม่เป็นแม่เป็ น, เ ป, นเป็นพ่อเนี่ยรักลูกห่วงลูกเนี่ยรักลูกห่วงลูกก็จึงมาอยู่เป็นเพื่อนกับลูกของตนนะยังฟังอยู่หรือเปล่าน้อโยมเนอ แล้วก็โยมรุูนอยู่เออยู่แถวไหนเนาะเรียกกันว่าแม่ค้ามะพร้าวอ่อนก็แล้วกันแม่ค้ามะพร้าวอ่อนฟังอยู่หรือเปล่านอ้อหากว่าฟังก็อย่างไรก็อย่าลืมนะกริงกลังมาบอกมากเล่าด้วยกันก็แล้วกันนะโยมนะก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมติดติดตามรับฟังกัน เป็นประจำถึงแม้นว่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ไม่เป็นไรา ย, ยมบางครั้งบางคราวก็ติดภาระนะติดภา ร, ร ก, กิจก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะมาเข้าสู่รายการได้แต่ญาติโยมอาจจะได้ฟังเทปนะฟังเทปหรืออาจจะได้ฟังรายการแห้งเลียกภาษาบ้านเรา รายการแห่งเพราะฉะนั้นก็ยาดยมท่านสาธุชนคนใดใครคนหนึ่งที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะยยมนะเกรงกลั้งเข้าสู่หมายเลข0 4 4 6 6 6นะี่สหสหมเนี่ยหมายเลขนี้โยมก็สามารถที่จะมาพูดคุยต่อกันและกันได้นะยยมนะอ่ทีนี้ก็ โยมได้โทรกลิ่งกข้มมากรรมริจจำได้หรื อ, อยังหรือเปล่าเนาะศูนย์นะยมนะหกหกหกสามตัวแล้วก็สซหกสามเนี่ยไม้เลขนี้สามารถที่จะพูดคุยกันได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชน ญ, ญาติโยมผู้ฟังทั้งหลาย อาตมาภาพก็วันนี้ว่าจะนำเอาเรื่องราวต่างๆนาน า, นาทางพระพุทธศาสนามาเล่าสู่ญาติโยมได้ฟังเรียกกันว่าคำทำนายแดมนุษยุคสองพันปีนะคำทำนายนะโยมนะเปเรียกว่าสุบิ น, นิมิตรเรื่องราวต่างๆนะเรื่องราวต่างๆ สมัยนูน้นสมัยพระเจ้าปัดเศนทิโกสนสุบินนิมิตยมนะสุบินนิมิตแต่ก็ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เล่าให้ญาติโยมได้ฟังเนื้อหาสาระอะไรเท่าไหร่มากนักวันก่อนก่อนนูน้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องพระเวทันดอนชาดกนะ เรื่องพระเวชนดรชาดกซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่น่าฟังเรื่องราวของพระเวชนดรชาดกนี่เรื่องน่าฟังมากย่อมนะซึ่งในเรื่องที่กันที่หนึ่งก็ซึ่งว่าพระอินทประสาทพรแก่พระนางพุทธดีตอนที่จะจุติลงมาเป็นพระมารดาของพระเวชนดร แต่ปางก่อนนั้นเนี่ยนางพุทษดีเนี่เทวีก็ได้สเสวยชาติเป็นอัครมเหสีของพระอินเมื่อจะเส้นพระชนมายุก็จึงขอกันทศพรเนี่ยยมจากพระอินเนี่ยจากพระอินได้สิบประการเนี่ยได้สิบประการทั้งยังเคย โปรยผงแก่นจันแดงถวายพระปัตสีพระพุทธเจ้าและก็อธิษฐานให้ได้ไปบังเกิดเนี่ยมสมัยที่พระนางยังมีพระชนมายุเป็นมนุษย์เป็นโลกกษัตริย์พระนางก็ได้ทำบุญให้ทานเหมือนกันกันกบพวกเราและท่านทั้งหลาย พอนางสิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์นะไปอยู่บนสวรรค์นะโยมนะพอไปอยู่บนสวรรค์ก็ได้ไปเป็นมเหสีของพระอินทนระ์เนี่ยพอนางจะหมดบุญแม่บุญเราหมดด้วยหรือเปล่าหมดสิโยมบุญกุศลเนี่ยต้องหมดเพราะว่ามันไม่มีที่เติม ถ้าเราจะวิ่งรถน้ำมันหมดเราเติมได้ถ้าหากว่าไม่มีที่เติมก็ต้องเข็นเลยยอมอันนี้เป็นเรื่องความจริงนะเป็นเรื่องความจริงถ้ารถไม่มีน้ำมันยังไม่ทิงไม่ยังไม่ถึงที่เติมน้ำมันทำยังไงได้ล่ะต้องเข็นถ้าไม่เข็นก็ต้องหารถอื่นขึ้นไป เพื่อที่จะไปหาน้ํามันมามาเติมเนี่ยมาเติมแล้วจึงจะได้วิ่งได้ต่อไปแต่มนุษย์เราเนี่ย <c oughs> ได้ทํำคุณงามความดีแล้ว <c oughs> ได้ทําคุณงามความดีก็เรียกกันว่าทําบุญให้ทานว่าไงนถอะเมื่อได้ทําคุณงามความดีแล้วย่อมไปเกิดสู่ที่ดีไปสู่สุคติ ไปสู่สุคติภูมิที่ดีแต่ส่วนพระนางพุทธดีนี่ได้ไปเกิดบนสวรรค์เพราะบนสวรรค์นั้นไม่มีการที่ต่อเติมคือไม่มีการที่ต่อเติมบุญกุศลนั่นแหละยอมไม่มีไม่มีที่จะทำบุญตอ่อนางก็เลยต้องใช้บุญเก่าของตนเมื่อบุญเก่าของของนางหมดแล้วเนี่ย พระอินซึ่งเป็นพระสวามีเห็นว่าพระนางเนี่ยโอ๊ยทำไมจึงเหงาจังว่างั้นเถอะเวลานั่งก็เหงาแต่งเนื้อแต่งตัวแม้จะมีเครื่องประดับประดาอย่างดีดีก็ดูแล้วมองแล้วก็ไม่สดชื่นอยอมไม่สดชื่นเนี่ยไม่สดชื่น เหมือนกันกันกนกบแหม่ใส่ทองแท้ๆประรับเผ็รเพชนินจินดาของแท้ๆก็ยังดูอับอยู่อับเฉาเนี่ยไม่มีสง่าราศีแม้แต่น้อยนิดที่นั่งที่นอนของพระนางรู้สึกว่าแข็งกระด้างเนี่ยแข็งกระด้างจะนั่งจะนอนก็โอ้ยนอนก็ไม่ค่อยหลับกระสับกระไซ ดินไปดิ่นมาไม่หลับสักทีเนี่ยหลับก็เหมือนอยังหลับผวาต์ผวาตตื่นย้อมหลับหลั บ, ลบตื่นตื่นตื่นตืนหลับลับอยู่อย่างนั้นเนีเนี่ยที่นั่งที่นอนก็ร้อนรุ่มจิตใจก็ฉุนเฉียวเนี่ยจิตใจก็ฉุนเฉียวใครพูดอะไรมาเหมือนอยังก็ไม่ค่อยถูกหูถูกใจมีอาการ เครียโกรธโอจิปัฏฐโยมคนมันไม่มีบุญเนี่ยมันหมดบุญเนี่ยหมดพอหมดบุญเนี่ยมันก็มีอาการเป็นไปต่างๆนานาส่วนเหือในรุดในตัวเนี่ยไหลสมไปหมดโยมเขือนหนรักรักแร้นะไหลซึมตลอดกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวนี่ฉุน ชดยมคนหมดบุญนยมมันมันหมดบุญพระอินทร์ทรงเขียนพระนางเป็นลักษณะอย่างนั้นก็โอ้ศีภรยาของเราเนี่ยบุญหมดแล้วทำอย่างไรดีทาอย่างไรดีก็เลยต้องหาวิธีการยมหาวิธีการให้นางนั้น บำเพ็ญบ um ุญบำเพ็ญก pues ุศลก็คือหมดบุญจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์นะเป็นเมืองที่เปรียรพร้อมนะคุณโยมนะเป็นเมืองที่เรียรพร้อมทุกส nah, ิ่งทุกอย่างอยากทําบุญก่อทาอยากให้ทานก่อทานอยากรักษาศีลก่อรักษาศีลอยู่ในเมืองมนุษย์หมดอยากทําชั่วทําเลวอย่างไรก็อยู่ในเมืองมนุษย์หมด โยมเกิดมาก็คงจะได้พบได้เห็นได้พบได้เห็นคนในโลกเนี้มีทั้งดีและชั่วเนี่ยมีทั้งดีและชั่วบางคนก็ดีเนี่ยบางคนก็ชั่วมากเลยโยมโอยลําบากลําบ่นเหลือเกินเนี่ยในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าในเมืองมนุษย์นั้นเป็นเมืองที่เสี่ยงทาย ว่าใครจะประสงค์จำงอยากจะไปเกิดตรงไหนอยู่ที่ใดก็มาสร้างสมบุญบารมีที่เมืองมนุษย์เนี่ยถ้าใครไม่ได้เกิดในมาในเมืองมนุษย์อโยเมย์ลำบากมากลาบากเพราะฉะนั้นพวกเราและท่านทั้งหลายนี่บุญแล้วบุญเลอเกิน ที่เราและท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังจิตใจสวยสดงดงามมีวายาอ่อนน้อมตอบผู้หลักผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่รู้จกักคารพรู้จักบุญคุณ แล้วก็บังเอิญเราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมบุญแล้วโยมที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญมากๆแล้วหาอะไรที่จะเปรียบปานเท่าเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่เราก็พอได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาหมันทําคุณงามความดีเสียเนี่ยทคุณงามความดีเสีย ที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ถึงแม้นว่าจะไม่ได้ไปขึ้นอยู่ไปเกิดบนสวรรค์ก็ขอให้เกิดในเมืองมนุษย์อีกนะยมเกิดในเมืองมนุษย์เกิดกับตระกูลมั่งคั่งเนี่ยคนทําคุณงามความดีก็จะไปเกิดกับตระกูลที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือภาษาบ้านเราเรียกําลังไปเกิดเป็นลูกเศรษฐี มหาเศรษฐียมก็เพราะ บ, บุญนำกรรมแต่งของพวกเราที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติได้จนถึงปัจจุบันในชาติเนี่ยเราก็จะได้ไปเกิดอยู่ณสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจด้วยเถิดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนา เราได้รักษาศีลเราได้ให้ทานเราได้เจริญกิตภาวนาคือหรือได้ฟังเทศฟังธรรมว่างั้นเถอะพูดตามภาษาบาลเราเนี่ยบุญแล้วโยอมยมก็เป็นบุญอัตมาก็เป็นบุญยมได้ฟังอัตมาอัตมาก็ได้กล่าวให้ญาติโยมได้ฟัง โอ้ยมันเป็นบุญอย่างนี้บุญต่อบุญมาเจอมาเจอกันเป็นยังไงลยยมมันสุกกายสุกใจอยู่ใกล้กันก็ตลอดปลอดภัยนะไม่มีทุกข์ไม่มีโทษน่ยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษยมลองสังเกตดูสิคนมันไม่มีบุญสองผัวเมียเนี่ย นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาพระหลวงพ่อท่านกำลังฉันอาหารยามเช้าพอฉันก็หลวงพ่อก็ใจดีดีโยมดีแทๆ้ๆสุดยอดบดีเลยแหลวะวน่ดีมากกำลังฉันอยู่แต่โยมก็ก็มากราบสามครั้งโยม ขออาหารหลวงพ่อก็เลยสงสารเห็นว่าโอโยมก็คงจะหิวเหมือนกันกับเราเนี่ยคงมาจากทางไกลละมัง้งยังไม่ได้ทานอาหารเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็นึกสงสารโยมเอาแกงเนี่ยแกงปลาให้แกงจืดให้อีกเนี่ยให้แล้ว ไอคนที่รับให้เนี่ยยมมันไม่พอใจกับหลวงพอ่อต่อว่าพระอีกแม้ขอโทษทายมพูดคำหยาบนิดหนึ่งเถอะไอพระเนี่ยมันกินแต่ของดีดมันให้เราเนี่ของไม่ดีว่างนั้นเพราะเขาไม่ชอบกินปลาโยมและแกงจืดก็คงจะรู้เลยเนาะโยมเนาะ โยมก็คงจะทราบคงจะรู้แหละคนนั้นน่ยไม่พ อ, ออกพอใจโยมดูดูสิเตะก้านคอหลวงพ่อเลยโอ้โยมเอา จ, จานกะละมังข้าวถ้วยโถโอจานแตกข้าวก็กระเด็นไปคนละทิศทางแกงก็หกเรียร่ยราดดูโยม อยู่กับใกล้กับคนผ่านมันอันตรายอย่างนี้โยมมันอันตรายอยู่กับใกล้กับคนไม่ดีเนี่ยไม่ว่านั่งยืนเดินนอนหรอกมันอันตรายทั้งนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังแต่ยมเป็นคนมีบุญนะเป็นคนมีบุญคนมีบุญมีวาสนาอยู่ใกล้กันเพียงไรก็ปลอดภัยนะโยมนะ เนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นแหละจึงชักชวนเชิญญาติโยมในทาคุณงามความดีทําคุณงามความดีกันเสถะโยมก่อสร้างคุณงามความดีอาตมาก็สร้างคุณงามความดีด้วยกันต่างคนก็ต่างสร้างคุณงามความดีอยู่ใกล้กันก็ปลอดภัยแม้จะยิ่งอยู่ห่างกันอีกยิ่งปลอดภัยอีกยม โอ้ยมันเป็นคนมีบุญจริงๆเพราะฉะนั้นนี่ใครอยากจะไปอยู่ทิศทางใดอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ต้องมาสร้างคุณงามความดีที่เมืองมนุษย์พระอินทร์จึงส่งนางพุษธีศรีภรรยาเนี่ยให้มาเกิดในเมืองมนุษย์ พอพระนางมาเกิดนางก็ได้มาเกิดในตระกูลสูงยมเป็นตระกูลของกษัตริย์เป็นลูกสาวของกษัตริย์ในเมืองมัทธาราดยมดูสิดูสิเนี่ยคนทําคุณงามความดียมลองคิดดูสิเมื่อเขาทาคุณงามความดีแล้วเขาก็ได้มาเกิดในตระกูลสูงไม่ตระกูลต่ำลํำละอ่า ใครก็คงจะรับทราบแล้วเนาะได้มาเป็นตระกูลกษัตริย์แล้วนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะนางได้มาเกิดเป็นลูกสาวของกษัตริย์เมืองมัทราดนายอมเนี่ยก็เพราะพรจากที่พระนางขอมานางขอพรสิบประการเนี่ย ขอพรสิบประการก็มีพรก็ไม่ต่างอย่างอื่นอย่างอื่นลอกยมไม่เหมือนบ้านเราลอกขอรอกบ้านเราเนี่โอ๊ยขอขอผิดแปลกแตกต่างกันเช่นอย่งยางญาติโยมเคยไปขอตามต้นไม้ใช่ไหมโยมไปถากถาก็เอาแปรงโรยแปรงแปร ง, งทาแล้วก็พากันเป็นรูปไปคลำโอ๊ยไปขอผิดที่โยมไปกราบจอมปลวกต้นไม้ภูเขา ต่างๆนานาหวังเพื่อจะได้รับโชครับลาบอะไรอย่างนั้นอันนี้โยมก็ไปขอกันแต่พระนางพุทธดีเนี่ยขอพรจากพระอินทร์ก็คือหนึ่งขอให้เกิดในกรุงมัทธรานแคว้นศรีผีน่โยมสองก็ขอให้มีดวงเนตรคมงามและก็ดำคลับ ดังลูกเนื้อสายตาไม่ฝาดไม่ฟา้าเลยโยมดูใสเป้าเนี่ยสามก็ขอให้คิว้วคมขำดังส้อยคอนกอยูงเนี่ยดูแล้โยมสี่ก็ขอให้ได้นามเดิมว่าพุทษศดีดังเดิม อยากได้ชื่อนางว่าเป็นนางพุทธดีอยู่อย่างนี้แหละห้าขอให้พระโอรส เ, เกเกียดที่สุดในชมพูถวิปหกก็ขอให้พระคันในงามไม่ป่องนูนดังสตรีสามัญชนธรรมดาเจ็ดก็ขอให้พระทัน เปล่งปลั่งงดงามไม่ยานคล้อยลงแล้วก็แปดขอให้เส้นผมเนี่ยหรือเส้นเสกเกสานี่ยดำสลับตลอดชาติไม่มีงอกและยมเก้าขอให้ผิวพรรณนี่ละเอียดบริสุทธ์ดุจทองคำธรรมชาติและสิบขอให้ได้ปลด ปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารแนยอมได้พรสิบประการเท่านั้นแหละก็ลงมาจุติเกิดในเมืองมนุษย์นี่คือประนางพุทธดรียมเพราะฉะนั้นก็จึงมั่นให้ญาติโยมได้ทำคุณงามความดีเสียเราจะได้เกิดในชาติใดพบใดภูมิใดโยมก็จะได้ประสบพบกับความสุขความเจริญ นี่ยตามาภาพพระครูปทุมธรรมานุรักษ์นะแล้วก็ได้มาเล่ามากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันเอาละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายโอกาสนี้ก็ขออนุญาตก็แล้วกันขอประชาสัมพันธ์รายนามของผู้ที่บริจาคสร้างกุฏิหรือช่วยมุงหลังคากุฏิ แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคปัจใจมาทําหุ่นช้างเอราวันช้างสามเสียงคุณยอมที่วัดหนองบัวทองตมบัวบทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม์เนี่ยก็ขออนุญาตอ่านรายนามก็แล้วกันยอมแต่หากว่าญาติโยมจะมีความประสงค์จำ侬อยากจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสมทบอีกเชือกหนึ่งก็ ขอเรียนเชิญเจริญพรนะยยมนะมาร่วมกันกนละเล็กละน้อยอช่วยกันสั่งสมบุญวาสนาเอาไวา้หรือบุญบารมีเอาไว้เถือยมเราก็จะได้ไปพบไปสู่ในภพภูมิที่ดีที่งามในโอกาสต่อไปขออนุญาต ก, กันแล้วกันนะยยมนะ นางสาวปัทมาศิลใจศรีหร้อยห้าสิส150บาทนายวิชัยชัยสุวรรณหนึ่งบาทนายอานุสรศิลใจศรี100บาทเด็กชายชนาทิพชนาติบทิปติปชนาติ ป, ท, ป, ต ป, ตปทิปอักษร100บาทเด็กหญิงกะมลชนกชัยสุวรรณหนึ่งบาท แม่ชมเจียวรำและครอบครัวแ800ร้อยบาทนางสาวอานทินตรณีหนึ่งบาทนางทวีละวะและครอบครัวสามร้อยบาทนางสัมเริงเจิงรำและครอบครัวห้าร้อยบาทนางเฉลียวโกรรำและครอบครัวห้าพันบาทอันที่จริงหนึ่งบาทเขาบริจาคช่วยช้างห้าร้อยบาทแล้วก็ ช่วยมุงหลังคากุติอีก 5,000 บาทนางเฉลียวกนรำและครอบครัวหนึ่งมื่นบาทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะนางสาวราพรนางสาวราพรสุพันหงและครอบครัว500บาทนางสาวสุภาพรสุวรรณหง สุวรรณหงหนึ่งร้อยบาทนางสาวกมลวันกนกวันสุพรรณหงหนึ่งร้อยบาทนางนางวราพรยอมนางวราพรหงสุวรรณหงและครอบครัวห้าร้อยบาทนางสาวสุพาพรสุพรรณหงหนึ่งรอยบาทนางสาวกนกวันสุวรรณหง หนึ100บาทนายประสิทธิ์จิตรำนางสาวจิตฉิมรำและครอบครัวสองพันบาทอาจารย์สนองสุธรรมโมห้าบาทพระอาจารย์สนองสุธรรมโมห้าบาทนางสมัยแก้วสุหนึ่งบาทนางพิชิตพวงสายหนึ่งบาทแม่อุไทยมีชัยหนึ่งบาท แม่คณิสรปานทองหนึ่งบาทแม่สมจิตพาพันหนึ่งบาทนาพระหมอนทองสีหนึ่งรบาทแม่ทองพูลบุญก้อนหนึ่งรบาทแม่สุขปักธงชัยหนึ่งรบาทแม่สัมรวยจ่าปรมและครอบครัว500บาท แม่ค้ามะพร้าวสยามตลาดเช้า300บาทนะ่ะได้รับแล้วนะโยมนะที่ฝากมากันกับคุณ น, ะน้ำตาลขมเด็กหญิงทิปพยาพรเกียรำ1หนึ่งบาทเด็กชายสมประสงรัตนพันธ์หนึ่งบาทนายพลนายพลวันนายพลวัฒน นายพลละวันนางทวันรัตจึงสุร ก, กิจ 1,000 พบาทนางสาวสุมาลีขยันจุมนุม300บาทนายสมชายจีนรัม2 0 0บาทนางละอองอินปรางหนึ่งบาทนางสาวอำพรสุแสน100บาทนางสมจิตสว่างดี210บาทนางสมศรีปักปีกสันเทีย หกบาทนางสุรีพรเจนรำและครอบครั ว, 500 บ, รว500บาทนางกีรวรนณเดชสันเทห้0รบาทนางคลองมิ่งมูล300บาทนางเคลื่อนแสนกล้า100บาทนางสาวกมลวันเจ็ดรำหนึ่บาทนางสาววิพาวรรณโกศิษต์100บาทนางสาววิวนนววไลวัน วิไลวันโมทินหนึ่งบาทนางขะนิตไทยรัฐบัวลิฟหนึ่งบาทนางสาวทองพูลขยันจุมนุม 1,000 พบาทนายอบรมบุญเซงนามสกุลบุญเซงและครอบครัว500บาทนายตึจุงรำา300บาทนางอุษาเจิงรำา500บาทนายสุรศักดิ์แก้ววง สระศักดิ์แก้ววงและครอบครัว500บาทนางรสจนาเนื่องจำนงและครอบครัว 1,000 พบาทนายสุทัศจงรำ5 0าบาทนางบุญทัตเกณรำ200บาทโูกโรกหลานหลานขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับพ่อพานใหญ่เลิศ 1,400 บาทโรกหลานของพ่อพาน นางสาวปิยดาวันทุมมา500บาทนางอุสาจิตรรามรบาทอ่มบาทแม่แสงศรีสวัสดิ์บ้านยนชา้า20บาทแม่บนกลิน่นซ่อนกลิน่นบ้านยนช้าหนึ่งบาทนางพ่อวรพล จอมน่าจะเป็นจอมไทยสงอจอมไทยสงบ้านยนช้า100บาทแม่น้อยพรเพชรบ้านยนต์ช้า20บาทแม่เซงสุขสารบ้านยนต์ช้าหน่งน่าจะ100บาทนาน้องจา๋าน้องจา๋าชื่อน้องจา๋าหน0 0งบาทแม่ดวงจันท์แมนรําบ้านยนช้า40บาท แม่วิงแม่วิงจันสายอบ้านยนชาหนึ่งบาทแม่เทียมบ้านสะเม็ดหนึ่งบาทบุญเพงอ่าบุญคุณบุญเพงทนรำบ้านยนชาหนึ่งบาทเด็กชายพัตรพลสุนาบ้านยนชา้า5ิบาทแม่หนูจอมไทยสงบ้านยนชา 100บาทคุณศิริชัยซ่อนกลิ่นบ้านโยนชาหนึ่งบาทแม่เทียนชะลุนรําบ้านระเบิก200บาทแม่เผาการนณรงค์บ้านระเบิก100บาทแม่เอียงพิระภิรานรําบ้านระเบิก40บาทนาคุณสุมาลีอุไรรําบ้านระเบิก100บาทคุณณรงศักด อุไรรำบ้านระเบิก60สบาทแม่สมานอุไรรำบ้านระเบิกห0สิบาทแม่ชมเจียวรำและครอบครัว